ธรรมาจากพระผู้รู้ตอนที่ย0สิบโดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันกาามรุงงงเือันจจตึึซถามวันหนึ่งผมนั่งสมาธิและรู้สึกว่าจิตเกิดทุกข์มากในความรู้สึกขณะนั้น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 เฝ้าดูอาการของจิตที่ปรากฏเริ่มจากรู้สึกว่ายุงมาเกาะแล้วกัดแล้วเราเจ็บใช้ความอดทนเพื่อให้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นและทนไปเรื่อยเรืจนกระทั่งชาไม่รู้สึกแล้วความรู้สึกในเวทนาไม่มีก็ไม่มีอะไรให้จิตทําต่อแต่ก็เห็นแล้วว่าเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเราวางเฉยมันจะตั้งอยู่ระดับไปเองในที่สุดขอเรียนว่าวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันครับคือรู้ตั้งแต่เวทนาเกิดจนเวทนาดับ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 คือความรู้สึกเฉยเฉยแทนรู้สึกทุกข์ถ้าจะเจริญเวทนานุปัสสนาก็รู้ความรู้สึกเฉยเฉยนั้นต่อไปอีกครับอย่างนี้มันก็เกิดดับเช่นนี้เรื่อยเรื่คำถามที่ว่าอย่างนี้มันก็เกิดดับเช่นนี้เรื่อยเืแล้วในฐานะผู้ฝึกตนจะมีจุดสิ้นสุดที่ใดหรือต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยเไม่จบสิ้นหรือต้องไปหาการฝึกแบบไหนการเกิดดับของเวทนานั้นจะมีอยู่ตลอดไป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 บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20